จำเป็นต้องดูใจคนใกล้ตายและอดร้องไห้ไม่ได้ควรทำอย่างไรไม่ให้เขาติดห่วงข้างหลังทุกวันมีคนตายและคนตายจำนวนหนึ่งก็มีโอกาสพบญาติในวาระสุดท้ายก่อนลมหายใจสิ้นจากร่างบรรดาญาติมิตรอันเป็นที่รักเขาทำอะไรกันพวกเขากากันร้องไห้ระ ง, งมเป็นจักรกจันทร์ ซึ่งนั่นเท่ากับสร้างภพแห่งความอาลัยขึ้นในจิตของผู้ตายชัดๆยิ่งถ้าคนใกล้ตายซวยหน่อยเจอญาติวิกลเจริตส่งเสียงปิดๆรำแต่ร้องว่าอย่าตายอย่าตายก็จะยิ่งใจไม่ดีเหมือนโดนห้ามไม่ให้ทำผิดคิดร้ายหรือถูกรังไว้ให้โดดลงเหวอย่างไรอย่างนั้นการที่คนเราใจไม่ดีตอนสายตากำลังพร่าพรายเนี่ยหูหาเรื่องนะครับ เสียงปิดปดีอาจฟังคล้ายเปรดเป่านกหวีดเรียกให้ไปเป็นพวกเร็วๆก็ได้นะครับอาการหลอนเป็นอย่างไรลองนึกดูตอนเคลิ้ ม, มใกล้จะหลับเสียงที่กระทบแก้วหูวอยู่จริงๆอาจถูกแปลให้เพี้ยนไปได้มากยังไม่มีทางคาถูกคนกําลังจะตายฝ่ายคนเป็นก็มารังแง่งรังขาหน่วงเหนียวไว้จนจิตเข้าดิ้นรนอยากอยู่ต่อ จิตที่ดิ้นรนนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าแล้วจิตที่เป็นทุกข์มีความเศร้าหมองมีความยึดติดอะไรในพบเดิมจะมีกําลังอ่อนแอรหรือแข็งแรงเล่าแล้วจิตที่อ่อนแอที่ไหนจะระลึกนึกถึงบุญกุศลอันหน่าเบิกบานปีติยินดีได้สรุปคือส่วนหนึ่งที่คนตายไม่ค่อยได้ไปดีก็เห็นทีจะต้องโทษบร ร, ราดาญาติญาติ ที่ไม่ค่อยเห็นใจคนตายไม่รู้วิธีทำให้คนตายสบายใจนี่ลหละนี่ยังไม่นับพวกที่ไปตีกันในห้องคนไข้นะครับเห็นพ่อแม่ร่อแร่เจียนอยู่เจียนไปไม่ทันไรก็ทวงถามกันต่อหน้าทาพินัยกรรมไว้หรือยังจ้างทนายที่ไหนทำที่ดินตรงโน้นกับรถคันนั้นเป็นของน้องหรือของหนูเป็นต้นยิ่งถ้าได้รู้ความจริงว่าตัวเองได้น้อยคาถามระคายโสด จะยิ่งโถมเข้ากระแทกแก้วหูคนใกล้ตายยังไม่ปราณีปราศัยนั่นคือธรรมดากิเลสมนุษย์รู้รู้กันอยู่แต่ที่ไม่ค่อยจะรู้กันก็คือเรื่องร้อนรุมเร้าคนใกล้ตายอาจเป็นมหันตภัยใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยทีเดียวฮากถามถึงความเหมาะสมหรือแนวปฏิบัติว่าควรทำเช่นไร ผมคงบอกได้เป็นกลางๆแค่ว่าการมีญาติมิตรลูกหลานห้อมล้อมพร้อมหน้าพร้อมตานั้นยังเป็นสิ่งสมควรหากขาดไปจะเป็นการละเลยและดูดายแต่ถ้าเห็นแก่คนตายจริงๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงคำพูดสะเทือนใจทั้งหลายเถอะร้องไห้เนะ่ะไม่เป็นไรนะครับดีเหมือนกันคนตายจะได้รู้ว่ามีคนอาลัยแต่เตเรียมคำพูดไว้หน่อย อย่าพร่ำเพอแบบนึกอยากพูดอะไรก็พูดหรือขออะไรที่คนตายให้กับเราเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เช่นอย่าเพิ่งตายนะครับหรืออยู่กับหนูต่อเถอะได้โปรดขอให้อดกลั้นไว้หันมาพูดแสดงความอาลัยในแบบที่ก่อความรู้สึกด้านดีเช่นรอผมบนสวรรค์นะครับหรือละหนูจะพยายามทําบุญตามไปข้างบนนะคะคาสั้น ที่ออกมาจากใจจริงจะมีผลใหญ่เกินกว่าที่คุณคิดขนาดที่จิตคนตายอาจยึดไว้เป็นเข็มทิศนำทางทีเดียวแต่ที่ประเสริฐกว่านั้นคือคุณคมความอะไรไว้ได้สะกดก้อนสะอื้นไม่ให้เจือในน้ำเสียงพูดอย่างอบอุ่นคงเส้นคงวาเช่นไม่ต้องห่วงผมแล้วอย่ายึดอะไรไว้อีกเลยวันหนึ่ง ผมก็จะจากโลกนี้ไปยังไม่อะไรเหมือนกันหรือตามพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานอันไม่เกิดไม่ตายนะครับถ้าได้อย่างนี้หรือประมาณนี้เสียงของคุณอาจปรุงแต่งจิตให้คนตายคลายความยึดติดทั้งหลายและกลายเป็นผู้ที่มีความสุขหลังความตายในระดับที่คุณนึกไม่ถึง จบเสียงอ่านหนังสือณมรณางานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยอริยะคุณพุทธธรรมสำหรับท่านที่ต้องการอ่านเองแบบตัวหนังสืออ่านหนังสือที่เป็นงานเขียนของคุณดังตรินทั้งหมดทุกเล่มได้ฟรีหรือสนใจสั่งซื้อหนังสือราคาถูกเพื่อ น, นําไปแจกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคุณดังทรินโดยตรงที่เว็บไซต์ดังทรินคอมค้นหาใน Google ได้เลยนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้ ครอบครัววิริยาครอบครัวอาิสกุลพัชรีละ อ, อเลิศลัคนาจิตติมาเดชบุญจันทร์โพคาพานิตทงชัยหัวเจริญธนรมคงพิริยาพุทธเยาวลักษณ์คงคาสุวรรณอรวันจตุรัตวัฒนากูลครอบครัวทรงพลครอบครัวนิติสรวุธปฏิพัฒพลายแก้วครอบครัวโถสกุลครอบครัวคิงส์ตันครอบครัวเรียนทองวัชรีพงสุขจารุบุรณสิงห์วันนิสาเมเดล เล่นพิษพระโพสจิตอุทัยวัฒนานพัศวรั์โพทองคำวันเพนสังแตงนัฐาการยวงสุวรรณและอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายวิดีโอและในส่วนของรายละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่นะครับและขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านเสียงอ่านโดยโจโชและชมรมผลดีทั้งหมดเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น